บุกทูเก้าสิบสามเดวินเดสมิตรีสอนุประโยคใช้เชื่อมพอลิกเตกเมอต์ไว้ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่เอสเนซิโนวายวิงช์มานิเล ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ e s สฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ e s n เนซ n โนว่าวิงชมันเ e ียซ n วาเขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ i ิงชม n นมิ l เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้เ ว, วินช์น็อกส์อัตภัตเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้เ ว, วินช์มันปีสเวนิสดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมอิสเยอตาเซฟเวย์นช์ดูมาเปอร์มาน ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Es j เ u t ย j u s ้ v ย a i v i เบ m ir k ิ d a c i t มดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกเายูเซฟเบอร s วิญชเขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าเบอร์วิญช์ดูมาเ เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าไว้วินยำอิรกาดัติตเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ไว้วินชักกปเตีสีบุฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่เอสเชาบุสไว้เอสวินยปัตเตียามปัตีกุ ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ e s she w i l s vai vingman r a k s t ī s ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ e s she w i l s vai v i n g m a n i p r e c ē s เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Vai e s v i ņ a m pati e š ā m p a t ī k u เขาจะเขียนมาหาฉันไหม v a i v i s h มันรักติสเขาจะแต่งงานกับฉันไหม Vaivishmanic ปร e เซส